เอสําหรับวันนี้ก็ออยะขอพูดถึงที่ขาบทที่จะพึงปฏิบัติและว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทลำพิสุทธิ์สงสมณเณรทั้งหลายเย็นว่าก่อนที่จะทำหรืยจะพูดเราก็นำมาัดการพระรัตนตรัยกันก่อน <c oughs> ในเวลาที่ได้ยินเสียงนำมาัดการพระรัตนตรยัยใจของบรรดาท่านทั้งหลายเป็นยังไง มีความเลื่อมใสและรู้สึกว่ารำคาญปิดใจข้างท่านน้อมไปถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระบิดาตมานคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยหรือเปล่า <c oughs> ถ้าหากว่าตัาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ฟังจนชินใจไม่ได้น้อมตามไปด้วยก็แสดงว่าท่านคบกับปัจจัยของอาบายภูมิแล้วคือเป็นผู้ขาดเจณาคม นี่คำว่าเป็นพระเป็นเนรเปโอมบาสกุมบาสิกาไม่มีแก่ท่านในตัวสิ่งที่จะมีอยู่ก็คือความชั่วประจําใจเท่านั้นหวังไว้ท่านหลายคงจะไม่คิดอย่างนั้นถ้าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดี ที่ตั้งใจมาเจริญสมถะกรรมฐานมิปัสน า, านกรร ม, าามฐานก็ดีหรือมาทํากิจการงานอยู่ในเขตนี้หวังว่า ท, ท่านทั้งหลายคงจะมีความเคารพในความดีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสรอนตน่อไปก็จะพูดถึงที่ขาบที่จะพึงปฏิบัติเเพียงโดยย่อที่ขาบทแรกที่เราจะพึงปฏิบัติคือหมดแรกก็ได้แก่ป ร, ราชิกสี คำว่าประราชิกแปลว่าผู้พายเมื่อต้องเข้าไปแล้วขาดจากความเป็นพิสุจทันทีจงระมัดระวังไว้ต้องศึกษาให้เข้าใจแลอจงทราบไว้ดีว่าสีขาบทต่างๆแล้วอาจจะไปไล่เลียงกันในวันอุโบสถและการปังนี้ถือว่าเป็นการปังพระปาฏิโมกเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคำอธิบายให้เข้าใจชัดแตเพียงยอด ที่ม่อธิบายโดยพิสเสธานก็เพราะว่าถ้าคืนหาทางออกการหลีกเลี่ยงพระวินยัย <c oughs> <c oughs> นั่นไม่ใช่วิสัยของพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพุทธบริษัทคําว่าพุทธบริษัทก็คือเป็นพวกของพระพุทธเจา้า <c oughs> ถ้าเป็นพวกกันแล้วก็จําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกันนี่ผมหมายว่าเป็นพวกของพระพุทธเจา้า ถ้าท่านวที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระวินัยนี้เป็นคำสั่งก็ถือว่าเป็นพวกของเทวทัตที่พิ่งกล่าวว่าเป็นพวกของเทวทัตนี่ไม่ได้แกล้งกล่าวไม่แกล้งว่าดา่าใครเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นเทวทัตไม่รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในตอนต้นทําตนเป็นคนดีแต่ภายหลังกลับเป็นคนอากาศตนตอนอยู่ไม่รู้คุณขององค์สมเด็จพระจินศรีบรมสรัสดาก็เลยลงนรกอเวจีไปถ้าพวกท่านยังหลายทําใจอย่างพระเทวทัตท่านก็ไปยิงเทวทัตเพราะเทวทัตเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนในบรายิกสีนี่องค์สมเด็จพระปรฏิบแก่จัดใบหวานหนึ่งที่สุทเทพเสพเมทุน ต้องอบัตปภาราชิกนี่หมายความว่าเศษเมถุนท า, านทวันเบาวก็ดีทะวันหนักก็ดีทั้งปากก็ดีคนก็ดีสัตว์ก็ดี <c oughs> ต้องอบัตปภาราชิกเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากมันชัดอยู่แล้วสีขาบดีสองมิสุเถี่ยวของนี่เจ้าของไม่ได้ให้ราคาห้ามาศกต้องอบัตปภาราชิกได้ราคาหนึ่งบาท นี่เราจะไปแก้เป็นมาตราทองคำอะไรต่ออะไรที่เ็เคยตัดสินกับมันแล้วใช้ไม่ได้ <c oughs> เคยมีคณะวีในทรนที่ราคาถือมาตราทองคำเป็นสำคัญบอกไม่เป็นอบัตปราชิกกโมยเงินเข้าไปทั้งสิบบาทราะว่าสมัยโน้ดราคาทองคำเท่า น, นั้นสมัยนี้ราคาทองคำเท่า น, นี้ต้องตีราคาประเมินค่าเท่ากันอันนี้ไม่ถูก <c oughs> นั่นเป็นอันว่าท่านผู้ตัดสินก็พอใจไปนรกเหมือนกันไม่ใช่สาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าสีขาบทนี้จึงถือว่าของที่เขาไม่ให้ดยกรณีใดๆก็ตามห้ามหยิบเอาเด็ขาดอย่าใช้คำว่าวิสาสะในบางแห่งแก่ ว, วิสาสะนี่จะทำให้จิตของท่านผู้ปฏิบัติเลวลง แในเรื่องนี้ก็ต้องเกี่ยวกับภาษีอก่อนด้วยไม้ในป่าที่ต้องเสียภาษีแล้วของหรือว่าของที่ต้องเสียภาษีอก่อนถ้าหากว่าเรานําเลี้ยงไปโดยไม่ตั้งใจเสียภาษีอันนี้เราก็ต้องเอาเป็นนําบัตรตามสีขาบทนี้ถ้าภาษีเขาเก็บเท่าไหร่มันเกินบาทเวลานี้ภาษีไม่ถึงบาทไม่มีแล้วหรือว่ารู้ว่าคนที่เขา จะต้องเสียภาษีมีของเสียภาษีแต่นำไปด้วยกันเพราะว่าพระไปด้วยเขาไม่สงสัยถ้าเราตั้งใจ ร, ร่วมกันโกงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาบัติปราชิกเหมือนกันผมไม่โทษเป็นปาจีแล้วรู้ว่าเขาจะต้องเสียภาษีนี่เราทำร่วมนี่ไปบอกก็ไปกับฉันเพอไม่เป็นไรไปกับฉันไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขาไม่เก็บภาษีพระ อย่างพระไปต่างประเทศคราวที่ไปปักใต้เขาบอกว่าพาสังขารดีการไปเที่ยวมาเลเซียต่างคนต่างก็ถือของกันมาคนละชิ้นสองชิ้นไอ้ของที่มันต้องเสียภาษีแต่ว่าตามระเบียบก็บอกว่าของที่มีค่าไม่มากถ้าชิ้นเดียวเขาไม่เก็บภาษีแต่ว่าแต่ละท่านจะนำกันมากี่ชิ้นก็ไม่ทราบแต่ว่าให้เป็นไปตามระเบียบ ก็มีเจ้าคณะจังหวัดจะบีองค์เดียวที่ถือย่ามมาหนึ่งลกูกแล้วก็เดินก็ไปหาในอ่าในด่านว่าของที่มันต้องเสียภาษีจะเสียภาษีตามระเบียบในด่านเขาก็บอกว่าแต่ของชิ้นเดียวเขรับไม่ต้องเสียภาษีแลว้วไม่ใช่ของที่จําจะต้องเสียภาษีหนักเขาวน้นย่านนี่เป็นเจิยาที่สมควร ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าของที่ชิ้นเดียวนี้เขาไม่เก็บปภาษีแต่ว่าเราเป็นพระก็ป้องกันตัวเข้าไว้ก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์สําหรับท่านเจ้าคณะเจีงหวัดจะบีนี่ผมขอยอมรับนับถือในความดีของท่านในข้อนี้แล้วส่วนข้ออื่นท่านจะมีอะไรบ้างนั่นเป็นเรื่องของท่านผมไม่ทราบอดีตสามภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอบัติ ร, ราชิพ นี่ต้องดูเจตนาเขาไว้เพราะว่าเราตั้งใจฆ่าให้ตายต้องอบัดป ร, ราชิตถ้ายับยั้งหมายถึงว่าศัตรูจะเข้ามาทำร้ายเราเราต้องการยับยั้งต้องการตีขาตีขาตแขนยิงขายิงแขนแต่บังเอิญมาไปถูกจุดที่จะต้องตายเข้าอย่างนี้เมียบัดเป็นถุนในใจไม่ถึงป ร, ราชิต <c oughs> นี่เรียกว่าต้องตั้งใจ แต่ ว, ว่าเขาเดินมาเดาเหวียงของไปแต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าบางเอิญบุคคลนั้นเข้ามาชนเข้าพอดีตายพอดีอย่างนี้ไประบาดไม่ถึงประราชิกปราบไประบราดรองลงมาคือทุนนิจใจแต่ไม่ใช่ปราจิตตีนะทุนนิจใจ่นมันสูงกว่าข้อที่สามปิโซโอโอตริมนุษยธรรมคือธรรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอบัาดประปราชิก มีหมายความมาอวดว่าได้ฌานสมาบัติได้เป็นพระอาเรียเจ้าอันนี้การที่จะพูดแบบนี้ในความจริงท่านที่ได้จริงๆท่านไม่บอกท่านที่ได้จริงๆแล้วะท่านไม่พูดท่านพระพุทธเจา้าบอกว่าถึงแม้ว่าได้จริงถ้าบอกเขาปรับเปอว บ, บัติปายิตีแต่ความจริงท่านได้จริงๆริท่านไม่พูดหรอกบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าได้จับแคนได้ก็เพียงไปแค่โดยในเท่านั้นพูดตรงๆไม่มีเ <c oughs> นื้อบัตรปรรจิตทั้งหมดนี้อย่าให้ละเมิดนะถ้าละเมิดเข้าลงอเวจีมหาน ร, ก, รกทั้งหมดผมขอสรุปไว้อย่างนี้ง่ายๆดีจะได้จำง่ายที่พูดมาเก่าๆมันยาวเกินไปจำยากนี่มาสังขารดีเศษสิบสาม ปีสุกแกล้งทําให้น้ำมัสุยิดเคลื่อนต้องอบดับสังคาดิเสร็นี่ถ้ามีการเสียดสีกาาับผ้ามันเคลื่อนเองไม่ต้องอบับดับตามนี้ถ้าว่าแกลกแ้งช่วยมันให้มันเคลื่อนออกมาต้องอบดับสังคาดิเสร็สองปีสุมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องอบับดับสังคาดิเสร ถ้าดิ้นบายไว้ว่าถ้าของเนื่องเรืกายคือจับนอกผ้าเป็นทุนนจัยถ้ามือเรามือใส่ถุงมือเสียแล้วก็จับนอกผ้าของเธอไปอบัตดทุกกฎแต่ข้อนี้ผมไม่อยากจะให้ท่านเข้าใจอย่างนี้จึงเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่แร่างกายของสตรีจงยาจับต้องเลยเว้นไว้แต่ว่าเมื่อเธอจะมีโทษถึงตายคือมีภัยอันตรายมาก เข้าช่วยเหลือได้ความเมตตาแต่ว่าจิตอยามีความกำหนัดมีความเมตตาเป็นสำคัญอันนี้ไม่มีอบัตอะไรแลว้วบางเอิญเราเดินเดินไปไม่เห็นกันชนกันปังเข้าตอนนั้นเราไม่มีความรู้สึกในความกำหนัดก็ไม่เป็นอับัติตามนี้<อ>ถึงแม่้ว่าความรู้สึกจะมาเกิดขึ้นทีหลังบ่หมวันนั้นชนใหญ่กว่านั้น mm hmm. เนื้อนิ่มดีจังเมื่อมันผ่านมาแล้วก็ปลากฏว่าจิต ไม่ได้ไม่ไม่ได้สัมผัสในเวลานั้นในขณะที่สัมผัสจิตไม่เกิดก็ไม่เป็นอบัตสังคาดิเสษแต่ว่าเสียในด้านการจเจริญเพื่กรรมฐานการควบคุมใจอย่าทําอย่างนั้นเลยผมของดเว้นสามีสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องบัตสังคาดิเศษนี่รวมทั้งเขียนจดหมายทําท่าทางให้รู้ว่าเราเกี่ยวเลยนะจะเอาได้เพียงพูดอย่างเดียวไม่ได้ เยัดไม้ก็ไม่ได้ทําท่าทําทางยกมือยกไม้มองตาทําท่าเกี่ยวต้องปรับอบัตตามโทษนี้เหมือนกันสี่พิสุ์มีความกําหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบําเรอตนไดกามต้องอบัตรสังขาดิเศษพูดล่อให้บําเือได้กามนะยังไม่ได้บําเรอกามเพราะว่านี่เธอไม่พระกอดสิมีมีคนมาก มาร่วมพี่รมงกับพระสิจะมีบุญมากเขาทิศกายให้แก่พระนี่มันมีคุณมีประโยชน์มีมีประโยชน์มากชื่อเรียกว่าถวายมอบกายถวายชีวิตแด่ประษัทพรสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นการบำรุงใจท่านให้มีความสุขจะเมรุสงเลิศดีไม่ดีถึงมีผพานในชาตินี้จะพู ด, ดได้วิธีใดก็ตามให้เขาหลงอารมณ์ อาคมอในในลมของเราแล้วก็เขายอมบำเรอตนให้แก่เราแต่ว่ายังไม่ท่นยัยอมให้บำเรอตนนะยังไม่ยอมตนแต่แนะนําเท่านั้นว่าทำอย่างนั้นดีทําอย่างนี้ดีเพื่อให้ร่วมในการสังวาสกับตัวหรือสัมผัสในการแตะต้องสิ่งใดกันเนื่องในกามารมเ์เพียงแค่พูดนะยังไม่ทํานะนี่ท่านกลับไปบำบัตเชิงคดิเศษ ในดีขาบทที่ห้าพิสุจน์ชักสื่อชายหญิงให้เป็นผัวเมียกันก็องอบัตสังขาดิเศษถ้าผัวเมียกันเขายังไม่อยากกรและเขาโกรธกันเราไปแนะนําให้เขาสามัคคีกันได้ถ้าก็อยา ก, กันแล้วหรือว่าคนยังไม่ได้ได้เป็นสามีพันยากันแนะนําให้เขาแต่งงานกันไปแนะคนโน้นทีแนะคุณนี้ทีอย่างนี้ท่านตัดไปบัตสังขาดิเศษแล้วผมจะนาต้นบัญญัติมากล่าวให้ฟังทีหลัง สี่ขาบที่หกวิสุสร้างกุณดีที่ต้องก่อและโบกโดยปูนและดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณโดยยาวเพียงสิบสองคืบประสุขโดยกว้างเพียงเจ็กคืบมัดในร่วมในและต้องให้สงแสแดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงแสแดงที่ให้กนดี ถ้าไม่เกินประมาณก็ดีต้องอบัตสังคาดิเสร็ข้อนี้ผมว่าโดนกันยากละมั้งเวลานี้ที่ก็มีเจ้าของทั้งนั้นถ้าที่ไม่มีเจ้าของต้องทําตามนี้แล้วก็ทําเพื่อจะเพาะตนถ้าไมาอย่างนั้นใต้สงสันสดงที่เอกก่อนหามว่าทําเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวกับสิขาบทนี้ในสิกขาบทที่เจ็ด ถ้าที่อยู่ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณนั้นได้ได้มอย่างนั้นแต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงสัยแดงที่ให้ก่อ น, าาสส น, อนต้องสังขารดิเศษหมายความว่าต้องบอกกับคณะสงฆ์ก่อนไปทําแบบนั้นแบบนี้นีแบบนน่พูดทั้งที่นอกวัดถ้าที่ในวัดเราสร้างวัดนี่มันไม่เป็นไรแน่แต่ให้ผิดระเบียบผิดกฎของเขา แปดพิสูจโกรธเคืองแจ้งแกล้งโจทพิสูจอื่นด้วยบัตรปราชิกไม่มีมมลต้องสังคารดิเศษโกรดเขาความจริงเขาไม่ได้เป็นประราชิกไม่รู้อยู่แล้วว่าแกล้งว่าแหมไอหมอ น, นั่นหมอ น, นี่นี่เอาผู้หญิงมามากกมาเกอดมาทำอย่างงั้นอย่างนี้เดือลักขโมยไขรฆ่าใครให้แกล้งฆ่าเออ เป็นในแกล้งให้เขาฆ่าคนนุ่นข่าวนี้นี่ต้องไปบัตรประราชิกแล้วนี่แบบนี้นะแกล้งโจทย์จำไม่ดีก็แล้วกันผวจะไม่ดีบายมากเพื่อท่านนั้นหลายจะได้จำไม่ ง, ง่า ย, ายอะไรที่ต้องอธิบายก็อธิบายที่ไม่จําเป็นก็จะปล่อยไปเลยกล้าพิสูจน์โกรเครื่องแกล้งทำเลโจทย์พิสูจน์อื่นด้วยบัตรประราชิกต้องสังคารดิเสด <c oughs> แกล้งหาเลขโจทย์ไม่กว่าแกล้งหาเรื่องบนนู่นเอาเข้ามายากแล้วไอ้แกล้งหาเรื่องในเขาเขาใจก็อยู่แล้วนะมันไม่เป็นความจริงเขาแล้วกันแกล้งพูดแกล้งยกโทษก็มีมั้งผมก็เคยโดนมาบ่อยๆแบบนี้แต่ที่ว่าผมเคยโดนนี่มันเป็นของท่นรดาก็ไม่จำเป็นจะต้องผมจะคุณแทบประสิทธิ์ที่นายกและท่านดีจะตาย เข า, ายกย่องว่าท่านเป็นพระมีคุณธรรมพิเศษก็โดนมีพระพุทธเจ้าก็โดน เ, นเดวรทธีให้ไม้ให้หญิงคนหนึ่งนางจินดามาเนริกามัากแกล้งทำบอกว่าพระพุทธเจ้าทองกับเขานี่ก็โดนเหมือนกันนาะติโลกเกลโลโหนามะความลับไม่มีในโลกของจริงมันก็ต้องเป็นของจริงไม่จริงมันก็ไม่จริง แล้วก็นัตถิโลเกออันนนิโตคนที่ไมู่กดินทาไม่เหมไม่มีในโลกถ้าเราไม่เป็นก็ไม่ต้องเดือดร้อนสุดที่อสุดที่ปัจจ่างนันโยอันยังมีโสทะเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราเท่านั้นเป็นผู้รู้อิสีขาบทีสิบพิสุภาพเพียนเพื่อทำสงให้แตกกันที่สูอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อประพฤตินั้น ถ้าไม่ละต้องสังคาดิเศษก็นี้รู้อยู่แล้วนี่ถ้าคเพียนนะพรพยายามให้เขาแตกกันให้ได้แตกกันทํายังไงแตลงสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้หาเรื่องให้ลงสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้อันนี้แตกกันแน่นอน เมืแ่แตกกันแล้วมันก็นลงสังกรรมไม่ได้พระที่จะลงบททรงลงสังกรรมลงปฏิโมกอ์เขาต้อ ง, สงแสดงอาบัติก่อนเพราะว่าบางทีถ้าโกรธกันเคือกันต้องขอเข้ามากันเสียก่อนระงับแล้วว่าทําใจสบายเป็นสามัคคีกันเท่า น, นิดพอถ้าเขาไม่สามัคคีกันยังโกรธกันอยู่ลงสังกรรมสังกรรมนั้นเสียนี่ถ้าไปอย่างนั้น ถ้าวิสูจน์อื่นห้าไม่ฟังสงสวยกรรมก็หมายถึงว่าสงแนะนำอย่าให้ว่าภาษาบาลีเนี่ยมันไม่รู้เรื่องกันแน่อพิธีกรรมเนี่ยควรทําแต่ว่าควรแนะนําเป็นภาษาไทยด้วยไม่อย่างนั้นในกรณ์สวดว่ายังไงก็ไม่รู้คนฟังก็ไม่รู้ก็ว่ากันด่าไปถึงแม้ว่ากรณสวดจะรู้คนฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เรื่องสวดตามภาษาบาลีก็ควรจะมีผพไม่โทษ แต่ควรจะแนะนำกันเป็นภาษาไทยให้เข้าใจชัดจริงจะควรสีขาวหมดที่สิบเอ็ดพี่สุประพฤติตามพี่สุผู้ทำลายสงนั้นเอาคนแล้วพี่สุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อให้ละค้อบประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคายดิเสษนี่ผมว่าถ้าผมเองนะ ถ้าท่านที่มีความประพฤติอย่างนี้ผมถือว่าไม่ใหยีพระแต่นี่มันก็ไม่เหยบพระอยู่แล้วนี่ถึงแม้ว่าจะปรับสังคารดีเสดถ้าไม่แถกถ้าเขาแตกกันเป็นสังแสเพ็มันเป็นอนันตจริยกรรมมันลงอเวจีมหานรก <c oughs> นิริปส์สองพิสุว่ายาตสอนยากพิสุอื่นห้าไม่ฟังสงสวยกรันรเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขาดีเสด ว่ายากสอนยากกับประเพทที่เดึกว่าอธิบายฟังทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามจะต้องร้องเตือนไปว่าไปแต่แล้วก็ยังลืมอีกทําต่อไปอยังนี้ก็เรียกว่ายากสอนยากฮะสงสวยกรรมอย่างผมร้องบอกท่านไปเนี่ยแล้วบอกท่านแนะนําท่านผมทําในนามของสงไม่ใช่ในนามของแต่ละ บ, บุคคล เพราะว่าผมเป็นห้วนหน้าในกลุ่มนี้ขณะนี้ถ้าท่านยังและเมื่อทำต่อไปอีกก็ตอนบัตรสังคาดิเสดไปไหนพวกนี้ลองเอเวจีสบายสาบสิบสามมีสุปุทสราย ส, ายสกุลคือประจบการหัดสงไล่เสียแจกไว้กับติเตียนสงพิสุอื่นห้าไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อใจละครอบประพพืชนั้นถ้าไม่ละตอนบัดสังขาดิเสด สงได้จบกระหัตที่กระหม่อมความว่าไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินยัยถือคราวาญเป็นสําคัญคราวาญว่ายัางไงต้องปฏิบัติตามนั้นไม่เชื่อพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา้าอันนี้ตัวอย่างมีเยอะอย่างนี้ก็ได้ประจบครหัตผมว่าจิตใจท่านทั้งหลายอย่างนี้ก็ไม่เป็นพระแล้วนี่อั น, นีบายไปมันก็แค่นั่นแหละ อย่าลืมว่าสังขารดีเศษทั้งหมดผมถือว่าท่านละเมิดแล้วท่านก็ทําลายศีลประชิกเนี่ยบอกอยู่แล้วขาดทั้งตัวสังขารดีเศษเป็นแล้วต้องอยู่ปริวาสเซกรรมัมแต่ถึงแม้่จะอยู่ปริวาสเซกรรมัมผมก็ว่าโทษนั้นมันไม่ไดีหมดมันยับยัง้งถ้าเราทําไม่ดีก็ลงนรกไป ทานที่ดีท่านนั้นหลายอย่าธทมสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านละเมิดผมถือว่าท่านมาเย <c oughs> ็ติพระแม่แต่ว่าอาบัตทุกกฎเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามแล้วบอกว่าศินมีสองรอยี่สิบเจ็ดจะเพราะมาในพระปฏิโมกนอกพระปฏิโมกมีอีตั้งเยอะเป็นศินทั้งนั้น <c oughs> ถ้าละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งก็สแสดงว่าละเมิดสินคือทําลายศิน ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงสินให้เขาไหว้เขาบูชาได้ยังไงเอ้าเส้งคาดิเศสก็ยับยั้งเพียงแท่นี้ไม่ใช่ยั้งนต่มันหมดนี่ต่อไปอนิยตสองหนึ่งพิสุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้ดยทำสามอย่างคือประราชิกหรือทส้งคาดิเศสหรือปาจิตตี อย่างใดอย่างหนึ่งพิสุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะ อ, อย่างใดให้ปรับอย่างนั้นผมว่านิยตสองนี่ไม่มีประโยชน์สาหรับสมัยนี้เพรานักบทโดยมากไม่เคยพูดความจริงหาความเป็นพระกันไม่เคยได้ที่ท่านเป็นพานดีท่านก็จะรับตรงไปตรงมาถ้าทาเป็นพระไม่ดีก็ไม่รับหรอกทางความชั่วนี้ไม่เคยมีใครรับไม่จะอ้างมาเปลือไปลืมไป จะเผลอไปลืมไปถ้าขาดเป็นขาดขาดสติไม่ได้ตั้งใจท่านปรับอยู่แล้วนี่ก็ฟังกันไว้ก็แล้วกันสองสีขาบทในเวลานี้เขาเรื่องไม่ได้แน่เพราะท่านที่พูดตรงไปตรงมานี่ผมเห็นว่าตั้งแต่ประโสดาบันเท่านั้นเราไม่ยอมละเมิดสี่ขาบทไม่ยอมละเมิดศีลถ้ายังไม่ถึงประโสดาบานันเขถือว่าเป็นบุคคลที่เชื่อไม่ได้ สองพิสูจนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นโดยทำสองอย่างคือสังคาดิเศษหรือปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่งพิสูรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือข้าว่าเฉพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นไลยเถิอันนี้ก็เหมือนกันนะผมเห็นว่าไม่เป็นเรื่องแล้วที่ธานีควรก็ไม่ควรทำอย่างนั้น ไม่อธิบายแล้วพ่ออธิบายกันมามากแล้วผมอยากว่าธรรมบัญญัติมาอ่านให้ฟังที่มานิสกีปายตีแบ่งเป็นสามเส้สามสิบสีบส่ขาบทแบ่งเป็นสามวัมีวัดละสิบสีข่ขาบทคือวัดที่หนึ่งได้กแก่จีวรวัรหนึ่งบิสุทรงอดิเหล็กเดยววตจีวรนี่เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งแต่เกินสิบวันไปต้องอบัดนิสกีปายตี นิสัยขีนี่มันเป็นโทษของไม่ดีต้องทิ้งไปของเป็นนิสัยขีตัวเปปายจิตีคําว่าปายจิตตีนี่ประวัติจิตเป็นบาปนี่มันลงนรกนะบาป น, นลงนรกจะถือว่าชาวบ้านเขาทาได้ทําไมเราทําไม่ได้ก็ยังทราบว่าเราไม่ใช่ชาวบ้านอดีตเหลกกัจีวรอดีเห ล, ล็กประวัติเกินผ้าที่เกินสามผืนเก็บไว้เฉยๆเกินกว่าสิบวัน เวลานี้ข้าอธิฐานบาณฑิวอนจนปฏิขาอะไรโจรังฮเอาพระมาอธิฐานเสียงบอกว่าทีวร น, นี่มันเกินผมจะไว้ใช้เป็นกรณีพิเศษเวลานี้ผ้าไม่เกินไม่มีแล้วพระต้องเกินได้มาอย่ากเก็บไว้เฉยๆเอามาเรียกพระมาบอกว่าผ้านี่มัเกินนะคนรับมาดีทีเอาเป็นทั่วยอธิฐานต่อหน้ากันว่าผ้ามันเกินผมจะไว้ใช้เป็นกรณีพิเศษ เท่านี้ก็พ้นสมิสุยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งต้อมบัติศีกีปาจิตตีเป็นไม่แต่ได้สมมติผู้ได้สมมติผมเห็นว่าเป็นภาพทุกข์พลภาพมากกว่าตัวลุกไม่ไหวนี่ปราศจากไตรจีวรเขาถือว่าเวลาเช้าตรู่จนจะได้รุนถ้าภาคภาไตรยอยู่ห่างกับเราเกินหนึ่งศอก <c oughs> อย่างนี้ถือว่าเป็น อยู่ผ้าป ร, ราศจากไตรจีวร อ, อันนี้ถามหาว่าเราอยู่ในห้องที่เป็นมิจชิดในห้องเดียวกันผ้าอยู่ในห้องกับเราเกินก็นหนึ่งสอบ ก, ก็ได้ผ้าอยู่ในห้องนั้นดัลกุติเราอยู่คนเดียวหนึ่งหลังผ้าอยู่ในกุติเราอยู่ตรงไหนก็ได้ใช้ได้ถ้าอยู่ด้กันสององค์ขีดเส้นไว้วบะเขตท่านแค่นี้เขตของแค่นี้ผ้าอยู่ในเขตไม่จะเลยสอกก็ไม่เป็นอับัติตามนี้ <c oughs> นี่ข้อดีสามด้าผ้าเกิดขึ้นแก่พิสุพิสุกระสงยาธรรมวิวรณ์แต่ยังไม่พอถ้ามีที่หวังที่จะได้มาอีกเพียงเก็บพึงเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกินกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปจึงแม้ว่าจะมีหวังจะได้อยู่ก็ต้องบัติสกีปยจิตี สีข่ขาบทนี้ผมไม่ดีบ่ายเวลานี้ไม่ต้องเก็บผ้าทันญีวอพระยีวรเขาถวายไปแล้วฟังไว้ก็แล้วกันสีข่ขาบทีสี่พิสุใช้นางพิสุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุบ ก, ก็ดีซึ่งยีวรนเก่าต้องนิสกีปาิตีนี่พิสุนีไม่มีแล้วถ้าใช่ผู้หญิงก็ควรคิดตามนี้ด้วยอย่าใช้เข้าเลยนะ ถ้าไม่ใช่ยากอย่าไปใช้เขามันยุ่งเว้นไว้แต่เพียงว่าเขาจะรับอาส า, าทําให้อันนี้ไม่เป็นไรนี่เราใช้เขาไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้เขาทาให้ไม่เป็นไรห้าพิสุรับจีวรแต่เมื่อนางพิษุณีที่ไม่ใช่ยากเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันต้องบัดนิสกีปายตีอันนี้ก็หานางพิษุณีไม่ได้แล้ว สีขขาหมทีหกพิสุ ข, ขอจีวอนต่อครหัสผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องอบัตินิสคีระยิตีเว้นไม่แต่มีสมัยที่จะขอจีวอนได้คี่เวลาพิสุมีจีวอนอันโจรลักไปหรือว่ามีจีวอนอันจิตหายเสียเรื่องการขอนี่ผมขอเตือนท่าน อาทนบอกว่าไม่คราหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่เจ็บปวรณานี่ไม่ใช่ตาญิวรอย่างเดียวหรอกทุกอย่างนะขอเขาไม่ได้ก็เคยได้ยินพระขาดไอ้นั่งขาดไอ้นี่ขาดอนี่ขาดนโน้นถึงแม้ว่าจะไม่บอกขอมันก็เป็นเล่ห์แห่งการบอกเหมือนกันถ้าคนก็มีศรัทธาเขาก็หามันหม่โดยการทําเล่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขอไม่เป็นการสมควรในเมื่อสมควรแล้วก็ไม่ควรจะทํา ถ้าทำแล้วมันก็มีโทษตามนี้นี่เรื่องการขอนี่ไม่ดีนะผมได้ยินอยู่เสมออยากได้นนทนอยากได้นี่นี่ไม่ใช่พระนี่พระเขาไ ม, ม่ไม่ควรจะอยากได้อะไรอันนี้ผมไม่ดบายไวชัดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วก็สีขขาบทต่อไปคือสีขขาบทที่เจ็ในในสมัยเช่นนั้น จะขอเข้าได้ก็แต่เพียงผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นแต่ขอเกินกว่านั้นได้มาตอนยิสกีปาจิตตีอผ้านุ่งกับผ้าห่มแต่ต้องพอดีพอดีแต่ไม่ใช่มากเกินไปก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแต่ถ้าเคราะหดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเขาพูดว่าเขาจะทิวายทวายจวายีวอนกิวิสุเชื่อนี้ ทีสูนั่งทราบความแล้วเข้าไปพูดให้เขาถาวายยีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขาเจะกําหนดไปเดิมได้มาต้องเปน็นอบัตินสิสกีปาจิตติอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ผ้าแล้วนี่คุณเพราะตั้งเป็นผู้มักน้อยสันโดษเขาบอกจะให้ยีวอนผ้าบาขอยีวอแพรเถอะให้ผ้าเนื้อไม่ดีขอผ้าเนื้อดีเถอะ